การเรียนศัจจกาเพียงแตเรียนเป็นความจดจําเป็นการคาดคะเนเรื่องของศังหนาเรื่องของมรรคผลนิพพานจะมาให้เข้าใจเรื่องความจริงของศัจจนาเรื่องความจริงของมรรคผล แม้ที่สุดเรื่องธรรมทั้งหมดที่ท่านเรียกว่าธรรมเพราะฉะนั้นเพื่อให้เข้าใจถึงความจริงแห่งศาสนธรรมหรือความจริงของพระพุทธเจ้าความจริงของธรรมโดยลาดับจนกระทั่งถึงความจริงอย่างแท้จริงนั้นต้องอาศัยการปฏิบัติเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยการปฏิบัติพระสาวกทรงรู้ด้วยการปฏิบัติ สังสอนคำมากน้อยสังสอนออกมาจากภาคปฏิบัติที่ทรงปฏิบัติและรู้มาแล้วทั้งนั้นทำจึงไม่มีทำร่นใดไม่มีทำคาดใครมีแต่ทำที่รู้ที่เห็นประจักษ์พระไทยหรือประจักษ์ใจของสาวโยคของพระพุทธเจ้าเลยสาวโยคอย่างเต็มพระไทยและเต็มใจแล้วจึงนำออกมาสังสอนโลกด้วยความกลิ่น ไม่มีอะไรที่จะสะกิดสะท้านเพ่งว่าทำนั่นจะผิดรำนี้จะผ่าทำนั่นจะบกพร่องน่นั่นกับไม่สมบูรณ์อย่างนี้ไม่มีสำหรับผู้สอนธรรมด้วยความรู้จริงภายใจิตใจจริงๆแลตามที่ตนได้รู้ได้เห็นมาแล้วมีศาสนาจริงๆเป็นอย่างนั้นคําว่าศาสนธรรมคือคํำต่างสอนเ่านี้นั้นเป็นอาการหรือเป็นอาการที่ผิวเผินอยู่มาก ที่แนวทางไว้เท่านั้นความจริงจริงๆนั้นศาสนาธนรรมกับธรรมบรรเท้จริงนั้นแ่ะผิดกันอยู่คนละภาคฟ้าแดนดิอันนี้ท่านชี้แนวทางให้เห็นจริงเรื่องศาสนาธรรมคือแนวทางแห่งการตัวผู้ปฏิบัติแห่งแนวทางแห่งการละการขอนและการบําเพ็ญเนี่ยไม่ใช่ธรรมแท้ธรรมแท้นั้นเกิดขึ้นจาก การละในสิ่งที่ควรละการบําเพ็ญในสิ่งที่บำเพ็ญแล้วปรากฏผลขึ้นมาผลที่ปรากฏนั่นแหละเป็นธรรมเป็นธรรมไปโดยลํำดับนจนกระทั่งถึงธรรมแท้ได้แก่ความบริสุทธิ์ยุบุภนิพนธ์ประจับใจนั่นคือธรรมแท้ผู้ที่รู้อย่างนั้นเรียกว่าผู้รู้ธรรมโดยลํำดับและรู้ธรรมอันแท้จริงธรรมอันแท้จริง น, นี้ไม่ปรากฏสำหรับโลกผู้ไม่ได้ปฏิบัติ เราจะรู้ตั้งแต่เห็นทิศทางเดินคืออุบายวิธีที่พระองค์ท่านสั่งสอนไว้แปดหนึ่งที่ธรรมธรรมขันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอาการวิธีการที่จะละที่จะบำเพ็ญเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่พึงัจเหมือน้นสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นจากการประพฤติปฏิบัติ ที่ได้รับการศึกษาปลดย่นมาแล้วจากศาสนาธรรมนี้นี่คิดกันที่ี้คิดกันอยู่มากทีเดียวเพราะฉะนั้นการอธิบายซึงว่าศาสนาธรรมแปลว่าอะไรแปลว่าคำาสอนของพระเจ้ามันได้เท่า น, านั้นคำสอนสอนอยังไงสอนวิธีละสิ่งที่ควรละให้ละโดยวิธีนั้น น, นแล้วสอนวิธีบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้น และบำรุงรักษาให้เจริญขึ้นด้วยวิธีนั้นๆมนี่เป็นวิธีการทั้งหมดในบรรดาทรแปดหมู่ที่ัำกระทำาคารที่ประทานแ้ตพอประมาณไม่ใช่เป็นผลอันเป็นที่ภูมิใจเวลาเราขึ้นปฏิบัติตามหลักษาสนะธรรมที่สอนไว้นี้แล้วปรากฏเป็นผลขึ้นมามีความสงบสุขภายในจิตเช่นจิตรวมจิตสงบ เป็นความสงบสุขขึ้นมาแล้วปรากฏเป็นความอาัจฉริยะขึ้นมาจากความสงบเป็นลําดับลําดับนั้นจนกระทั่งหาอุบายปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์อะต่างๆทั้งภายนอกภายในก่อรางไปโดยลําดับลําดับนั้นชื่อว่าเป็นผู้ปรากฏผลไปโดยลําดับทำจะที่ซึ่งเป็นผลแห่งการประพฤติปฏิบัติ นั่นแหละเรียกว่าธรรมเช่นสมาธิธรรมนี่ธรรมทแท้จิปัญญาธรรมจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นสูงสุดพอถอนที่เลสไปเดิมดับถึงขั้นหาที่เลที่จะถอดถอนไม่เลยเรียกว่าถึงธรรมแท้นี่แหละธรรมแท้นี่แหละหรือธรรมโดยลําดับเหล่านี้แหละที่โลกไม่ค่อยได้สัมผัสกัน สมัมัสตั้งแต่การจดการตามการศึกษาเล่าเรียนตามแบบแผนตันหลับตำราซึ่งเป็นคำพูดธรรมดาธรรมดาธรรมดาเป็นอุบายวิธีการดังที่กล่าวมาแล้วคือวิธีการละสิ่งที่ควรละวิธีการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญและรักษาหรือบำรุงสิ่งที่ควรบำรุงให้เจริญขั้วหนัเนี่เป็นวิธีการศาสนาสอนวิธีการเท้านั้นที่จะให้ยกเอา มัดเอาผลเอาตัวทำแท้ขึ้นมาพระกาศสอนโลกนั่นยกขึ้นมาไม่ได้เพราะไม่ใช่สิ่งที่จะยกแต่เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติตามแนวทางที่สั่งสอนวันนี้จะพึงพบพึงรู้พึงเห็นเองภาณจิตใจจะยกให้ใครดูไม่ได้จีเป็นอั่งนี้เรื่องสาธารณธรรมเช่นสำเร็จข้าโสดาข้ากีธาอนาคาอรหรัต สำเร็จก็สำเร็จอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจเห็นอยู่ที่ใจชมอยู่ภายในใจของตัวเองเรียกว่าชมมหาสมบัติอันเป็นของอัศจรรย์ยิ่งกว่าสมบัติใดในโลกนี้ก็ชมอยภายในใจจะยกออกมาให้คนอื่นเห็นนั่นเห็นไม่ได้ใครอยากเห็นก็ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านสั่งสอนไว้แล้วนี้ตามพฤติกำลังหรือเต็มพถติกำลังความสามารถของตน คำเหล่านี้จะเป็นสมบัติของคุณนั้นโดยไม่มีทางสงสัยเพราะดำเนินตามศาสนธรรมที่ได้สอนด้วยอุบายต่างๆให้เราได้เข้าใจแลปะปฏิบัติตามเรื่องของคาแท้กับศาสนาธรรมจึงใจกันมากทีเดียวคนเราได้ยินแต่ว่าศาสนาธนารรมแปลว่าคำของพระพุทธเจ้าเท่านี้มันก็เป็นเรื่องผิวเผินเหมือนศาสนาม่เมีความสักศิลยิ่งใหเยลย เราพูดกันแต่แง่นี้แล้วแก้ไขหรือแปลกันซะจนแหลกไปหมดมันทับนั้นบทนั้นแปลว่าอย่างนั้นกลับนี้แปลว่านี้แปลซะจนแหลกนะถ้าว่าไปแปลกิเลสไปขยายกิเลสไปแก้กิเลสแบบแหลกอันนี้แล้วกิเลส จ, จะต้องแหลกไปต่างๆแล้วทําจะได้โผล่ขึ้นพานาจิตจักร พระพุทธเจ้าจะปริพันธ์นานเท่าไหรก็ตามไม่สําคัญในการปริพันธ์ของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเป็นเรื่องของสมุดเป็นไปตามการตามสถานที่ตามธาตุตามขันธ์ธรรมาณิพันธ์ก็หมายถึงความอายของธาตุขันธ์เนี่ยมันจลายตัวออกไปในสถานที่นั้นเช่นเมืองกุฏินารายเป็นที่ปริิพันธ์ของพระพุทธเจ้านเนี่ยพอปริพันธ์แล้วก็ สร้างพศขึ้นพุทธศัการาช1ปี2ปีจนกระทั่งถึง 2,519 ปีมีเป็นการเป็นสมัยเป็นสถานที่คือนิพพานที่เมืองกุสินาราสมัยนั้นมาถึงนี้เป็น 2,519 ปีพระธาตุพระอระพระอาการของพระองค์พระศรีระรวมตัวอยู่เป็นเวลา 81,000 ปี ทงตัวอยู่ได้ขนาดนั้นเมื่อถึงการแล้วเพราะโลกเป็นอนิจจงด้วยกาศธาตุขันธ์มุจเจ้าจะเหนืออยจังไปไหนก็ต้องมีความแปรสภาพที่เรียกว่าตายเหมือนโลกทั่วไปความที่มุจเจ้าปฏิพันธ์ในขนานั้นเรียกว่าตายนั่นเองคือธาตุขันธ์ทนไม่ไหวแล้วสลายตัวไปนี่นก็มีเท่านั้นผลธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของจิตนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างที่ว่านั้นเลย คือไม่มีการไม่มีสถานที่ย่ำเนยไม่มีอะไรที่จะมาลบล้างไม่มีอะไรที่จะมากีดขวางไม่มีอะไรที่จะมาทําลายมรรคผนิทานที่ผู้รู้ได้รู้ประจักษ์จิตใจแล้วเป็นสมบัติของพระรัน้นโดยเฉพาะเท่านั้นอะไรที่จะสลายไปตามโลก อ, อนิจจังก็ให้สลายไปส่วนใดไม่อยู่ในกฎของ อ, อนิจจังส่วนนั้นก็เป็นอิสระธรรมชาติของตนนี่แหลคือความบริสุทธิ์ องพระราหันทังหลายทั้งป็นอย่างนั้นความบริสุทธิ์ยี่ไมไ่อยู่ในกฎอนิจจังเพราะฉะนั้นท่านิพานจึงจะอยู่ในกฎอนิจจังไม่ได้ใครจะว่า น, นิพานเป็นอนิจจังทุกขาราตตาผิดทั้งเผศเพราะอนิจจังทุกขาราตา น, นี้เป็นกฎของโลกสมมูินิพานไม่อยู่ในกฎของสมมูิอันนี้เนื้อจากสิ่งตรงนี้แล้วจึงเรียกว่าวิมูลดูดพ้นไปแล้วท่านให้ชื่อความดุดพ้นของจิตตวงนั้นว่านิพานอะถึงอนุปาทิเสท่านนิพานแล้ว นี่แล้วอันนั้นจะมาแปลได้อย่างไรนี่แหละธรรมชาติอันนั้นกับธรรมชาติที่เราปฏิบัติรู้เห็นขึ้นพันในจิตใจของเราอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับของท่านแล้วมันก็เข้ากันได้อันนั้นชั้นใดอันนี้ก็ฉันนั้นแล้วการพนันธุ์พันของพระเจ้าจะนานหรือไม่นานไม่มีอะไรสําคัญมันสําคัญอยู่ที่ความจริงอันนี้มันเหมือนกันูที่ไหนก็เหมือนกราบไหว้พระเจ้าจอยู่ตลอดเวลา ตามหลักธรรมสำหรับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคกเห็นธรรมจะหมายถึงอะไรก็ตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมขึ้นไปถึงขั้นสุดยอดก็เห็นพระพุทธเจ้าเต็มพระอกโสดาก็เหมือนกขาเห็นชายจีวรของพระพุทธเจ้าคือเราเริ่มเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นทรงรู้ถ้าจิตทาคาราคารงเริ่มเห็นเป็นเข้าไปชัดเจนเข้าไปเดินดลั ง, งจนกระทั่ง ถึงอรหัตภูมิแล้วชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเ ต, ต็มองเต็มพระองค์ได้จะก็ไทยพุทธเจ้าเป็นอย่างไรใจของเราก็เป็นอย่างนั้นนักกี่เซโยวปาติโยไม่มีความยิ่งความหย่อนต่างกันเลยนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพระองค์สุกท้ายบรรดาที่จุดประหารด้วยกันมีความมุ่งสุดด้วยกันแล้วเสมอการหมดงาอันนี้แหละเป็นเครื่องวัดเครื่องตัว ให้ทราบท่านเราพระเจ้าท่านนิพพานไปแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนท่านศูนไปไหนหรือหายซากไปไหนเราเอาธรรมชาติของเราที Khan ่รู้ที่เห็นอยู่ประจักษ์ใจเนี่ยเวลานี้ความรุ่งเรานี้หายซากไปไหนเราอยู่ยังไงเวลานี้จิตใจที่บริสุทธิ์ประจักษ์อยู่ภายในใจของเรานี้อยู่อย่างไงทั้งๆที่มีขันยุนี้จิตอยู่อย่างไงคือความบริสุทธิ์ท่านอยู่อย่างไงขันอยู่อย่างไงเวลาขันสลายไปแล้วอันนี้จะหายซากไปไหน เมื่อเราไม่สงสัยธรรมาชาติของเราที่เป็นอีกแล้วเราจะสงสัยพระเจ้าว่าหายชาติไปไหนได้อย่างไรนี่มันเป็นเครื่องประกาศอยู่ภายในตัวของผู้รู้ยืนยันที่ตรงไหนเมื่อตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันได้แล้วพอยืนยันเรื่องพระเจ้าได้ทุกกระเบียดไม่มีอะไรฉิดกันเล ย, ยเห็นแล้วกาวว่าพุทธธรรมธรรมสัณละฉามข้าพระเจ้าขอถึงทุกพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นองค์สารณะแต่นี้ก็หมายถึงธรรมาชาติอันนี้เองเะแล้สูงขึ้นไปไหน แต่ไม่ใช่แบบมีอยู่เหมือนโลกมีการธรรมะโลกโลกมีนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งทำมีเป็นอีกแบบฮ น, นฮะศูนนิพานศูนเป็นอีกแบบโลกศูนเป็นอีกแบบหนึ่งนะคือความมีอยู่ของพระนิพานเป็นอีกแบบหนึ่งความมีอยู่ของโลกเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่แบบเดียวกันนั่นแหละที่เราถึงพระพุทธเจ้าประทาระสมถึงธรรมชาติอันนี้แหลันธรรมชาติที่ ท, ที่ว่าเนี่ยอยู่ในถ้ำกลางแห่งความมีอยู่แล้วความสูกปันนี่ตรงการกล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสงค์จึงไม่เป็นโมคะเจ้าโมฆะมาจากไหนเมื่อพระุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไม่ใช่ทารณะที่เป็นโมคะการถึงพระุทธเจ้าพระธรรมปสงค์จะเป็นโมคะได้อย่างไรมีการปฏิบัติธรรมตามหลักฐานธรรมแท้จะเห็นธรรมเป็นอย่างนี้ โดยอาศัยศาสนาธรรมเครื่องประกาศสอนวิธีการต่างๆให้เราไปปฏิบัติการผลจะพึงปราปกฏให้กระจัดใจของเราอย่างนั้นไม่มีทางสงสัยเรื่องธรรมประเภทนี้เราจะออกมาสู่โลกไม่ได้จะออกมาแต่ทริยาอาการวิธีการแห่งการละกันถอนมัน่างสมมติว่าตรงนั้นบรรลุธรรมนั้นเนี่ยก็ได้แต่ชื่อคําว่าบรรลุธรรมชาติที่บรรลุนั้นเป็นอย่างไร นี่รูปลักษณะอย่างไร น, นี่คุณภาพคุณสมบัติอย่างไร น, นั้นเอาออกมาแจงไม่ได้แม้แต่ผู้ที่รู้เองผู้ที่ทรงมหาสมบัตินั้นเองก็ไม่สามารถจะแจงได้ทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่อย่างนั้นแหละเพราะไม่ใช่สิ่งที่จะเอาออกมาแจกมาแจงได้อันเป็นสิ่งที่สูตรวิสัยที่จะ อ, ออกมาแจกมาแจงนอกจากใครรู้ก็เป็นเรื่องที่จําเพาะของคุณ น, นั้นท่านนี้วาปัจจัตังเวรที่แต่บ่มอยูท่านผู้รู้ทั้งหลายจะคุณรู้จำเพาะตนเท่านั้น การที่เดะโกจะพึงเป็นธรรมที่พึงเห็นเองจากข้อปฏิบัติไม่มีอย่างอื่นที่จะไปเห็นได้นอกจากข้อปฏิบัติเท่านั้นแต่ทำจะจะทําให้รู้เห็นได้แล้วคําว่ามาฝนยุคารไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกับสถานที่ร่ำเรื่อยแต่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติผู้ใดปฏิบัติทำให้ทุกคนจะทำผู้นั้นแหลคือผู้บูชาศสนาตและผู้นั้นแลจะเป็นเจ้าของสมบัติยุาสานาสมบัติ คือทำมาสมบัติอันนี้เป็นหลักอย่างถ้าว่ามรรคผลนิพพานหมดเสร็จหมดสมัยแล้วนั้นหมดมาตั้งแต่ขัง้งพุทธการก็นีพระเบอร์เจ้ายังทรงพระชนมอยู่ก็ไม่มีใครสนใจอัดทำแต่พระองค์เมื่อไม่สนใจแล้วจะปฏิวัติทาได้หลือเมื่อไม่ปฏิวัติทำคนนั้นจะจะมีว่าคผลนิพพานที่ไหนนั่นคนนั้นก็คือคนที่มรรคผลนิพพานอยู่ในขณะ น, นั้นแล้วเราจะว่ามรรคผลนิพพานหมดเสร็จหมดสมัยมาตั้งแต่ขั้งนั้นเลย ครั้งนี้เลยครั้งนั้นก็ไม่มีเหมือนกันในลายบุคคถ้าพูดทางใจเราคือปฏิบัติตามหลักศาสนาอยู่แล้วผู้นั้นแลเป็นผู้จะทรงสมบัติทำมาสมบัติได้เพราะศาสนธรรมที่สอนนี้ไม่ได้สอนแบบโมคะไม่ได้สอนแบบเปาเปล่ไปอย่างนั้นสอนออกมาจากพระไตรสอนออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงสอนออกมาด้วยสวัจธรรมพิจารไม่ชอบแล้วทุกอย่างผู้ปฏิบัติตามจะถึกไปไหนและจะ ผิดหลังไปไหนเห็นหลักอยูตรงนี้แล้วที่ย้อนมาถึงพวกเราผู้ปฏิบัติถ้าอยากเห็นธรรมะสมบัติก็เพิ่งอบรมจิตใจของตนฝึกหัดจิตใจควรทุ่มกันหลงก็งกงทุ่มคนหนักกนหนักคนทรมานด้วยวิธีใดบังคับจิตใจด้วยวิธีใดให้บังคับตรงไปใจเป็นสมบัติของเราบังคับลงด้วยสติด้วยปัญญาหาวิธีแก้ไขอะไรที่มาเกียวแทน อันใดที่มารบกวนจิตใจให้เกิดความหน่ายร้อนพยายามบังคับบัญชาสิ่นั้นแก้ไขสิ่งนั้นให้ได้ใจจะค่อยปรับทงโล่งขึ้นมาโดยลำดับลำดั้นี่เป็นวิธีการที่จะได้รับความผิดปรากบขึ้นภ า, ายในจิตใจของผู้ปฏิบัติคำว่าสมาธิเราได้อ่านแตคือชุ่อสมาธิมีเต็มไปหมดในตำรักตำลากแต่ตัวองค์สมาธิแท้ๆมันอยู่ที่ใจ ถ้าทำให้เป็นสมาธิก็จะสงบขึ้นมาที่นี่ความสงบขึ้นที่นี่เรียกว่าสมาธิผลที่เกิดขึ้นจากความสงบนั่นคือความสุขความสบายความรื่นเริง ภ, ภายในจิตใจแจะเกิดขึ้นที่ใจนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่กระดาษไม่ได้เกิดขึ้นที่คํำพีอันนั้นมีแต่ชื่อไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงจริงตัวบาปก็อยู่ที่ใจตัวบุญอยู่ที่ายนรกสวรสรค์เกิดขึ้นที่ใจเป็นที่ใจใจเป็นผู้พาให้เดินไปเนี่ยแค่ที่ตรงนี้ กำหมดที่ตรงนี้พิจนาทุกที่ น, นี้จะรู้ทั้งบาป ท, ทั้งบุญทั้งภูมทั้งโทษทั้งนรกสวรรค์นิพพานอยู่ที่ใจนี้หมดเข้าใจเป็นศูนย์กลางแห่งสิ่งเหล่า น, นี้ผมมีสายต้องใจไปไม่ได้ท่านจึงสอนลงที่นี่โอ้ยเจ้าท่านสอนลงที่ตรงนี้เราจะได้เห็นอ่าธรรมสมบัติโดยลําดับลาดับจนกระทั่งถึงมหาสมบัติคือจิตานิพพานจิตต การสืบผลอบรมจิตใจนี่ยรู้สึกจะท้อตั้งแต่ยังไม่ถังตั้งแต่ยังไม่บงเพ็ญนี่อะสําคัญความท้อนี่พึงทราบว่าเป็นเรื่องของกิเลสอย่างชาติเต็มเลยมันกีดขวางจิตใจขงเรามันไม่อยากให้เดินไม่ให้อยากให้ดำเงินมันทําการกีดฝวางเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องอ่อนแอไปตามเห็นว่าความอ่อนแอความท้อถอยนั่นเป็นของดีไปเสียก็หลงกลมยายังกิเลสเรื่อยๆไปอย่างนั้น ให้อายุเท่านั้นจะบำเพ็ญให้อายุเท่านี้จะบำเพ็ญเหมือนกับเรานี่เป็นเจ้าบัญชีของความตายความจริงความตายมันอยู่กับลมหายใจเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วมันหมดค่าเท่านั้นแหละขอลเรนั่นบัญชีมันอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้อยู่กับความคาดความหมายของหลับนะสอนด้วยว่าอัคเชวะกิจจะมาตัดปังโก ธ, ธ ญ, ญามะนังสุรุนะนิโนโชั่งอรันเตนะมหาเทเนมะจนะินะคนควรทําความดีความ ถ้าเกี่ยนเพื่อความดีเสียตั้งแต่บัดนี้วันนี้ไม่มีใครจะสามารถรู้ความตาได้ว่าจะมาถึงการใดเวลาใดวันใดหรือวันพรุ่งนี้มาดูได้เนื่องจากว่าความตานี้เป็นเสนาใหญ่ที่สุดไม่มีอันใดที่จะลบราค่าฟันมันได้ต่อทู่ให้เพื่อใช้ชนะได้เลยมีทางจะกล่าวไว้ในหนังสือถือมนเหมือนกัน จะท่าพิเชลาวิจุลานภังอาหารจะปะตาสมาตาอนุปฏิตะดียว่นิโปเทนตาจะปีซาเตวังชลาจะมัจุจจะทิวตันปิปานิโนอัติเยประมมเนเวเซตุเรจันดาลปิโคเซอัจจิจิปริวัติเศตษิสเบลมุสเบลราภิมาตติหน้าตัดถ่ายที่ถัดที่นางภูมิราท่านางนภัิยานี้เป็นต้นถึงแปนเกี่ควมากเรื่องความตายนั้นมันทับมาทุกด้าน ทางข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างมันทับบีบเข้าในสกกักรวาลนี้ตลอดเวลาหนักทั้เร็จเหมือนภูเขาทั้งสี่ลูกพี่งมาจากสี่ทิศทับโบกตักทันวันนี่กับภูเขาเนี่ยภูเขาขู่เรามันทับที่ทั้ง้างบนข้างล่างทางซ้ายข้างขวาทับมาแก่ก็แก่ไปด้วยกันหมดทางหน้าก็แก่ข้างหลังก็แก่ข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างมันแก่มันเจ็บไปด้วยกันหมดเนี่ทำ นั้นบดอยู่ภาในตัวหมัเราจะเอาคนช้างคนมา้าอะไรก็ตามมารบราฆ่าปันกับความตานนี้ให้ได้ชัยชนะนี้ไม่มีหวังแพ้มันอย่างหลุดรุ่ยถนัดนักษาทั้งหลายท่านจึงบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อจะถอนตนออกจากกองไปอันนี้เสียด้วยความเฉลียวฉลาดของท่านมีเท่านี้เป็นทางที่จะผ่านพ้นตปได้จากมัจจุราชที่ความตายหรือความทุกข์ที่จะตามมาเพราะ ทวาเกิดความตายนี้เป็นสาเหตุนี่เท่าไหร่นันแล้วเออไมนมีท่าต่อสู่้แล้วเราไดเอาท่าอ่อนแอท่าที่เกียจที่ค้านท่าเห็นแต่วันแตคืนจะตีแตเดือนเห็นแต่วันพรุ่งนี้วันมาเลนมาทู่มันได้ยังไมันอุบายที่ทีนั้นเป็นอุบายที่ค้อยตามที่เดิบถูกที่เดิหลอกลวงต้มสูงจนจะเป็นงอมเราไม่ทราบว่าเรางอมด้วยสิ่งเหล่านี้มันหลอกลวงเราเหรือถ้าเราไม่ทราบก็ควรจะทราบจะบ้างควรจะได้ตื่นเมื่อตื่นตัว ว่าชีวิตของเรานี้ไม่ข้ามฟ้าป่าช้าจองไว้ที่ตัวของเราเต็มตัววันหนึ่งแน่นอนจะต้องตายไม่มีใครที่จะอยู่ข้ามฟ้าได้เลยเรายังจะหมายป่าช้าที่ไหนนอกจากตัวของเรานี่ไม่มีป่าช้าเราจะหมายปีหมายเดือนที่ไหนเป็นวันตายนอกจากลมหายใจเท่านี้ไม่มีที่หมายถ้าลมายใจหมดแล้วที่ไหนมันตายทั้งนั้นแหล ะ, ะนะพิจรารณาตรงนี้เราจะไม่ได้ประมาทนอนตายและจะดำเนินเป็น ง, งานความดี ถ้าเห็นแก้วสารพันธนึกคือหัวใจดวงนี้ที่กำลังผูกแวดล้อมผูกปกดขี่บังคับอยู่จากสิ่งเจ็บปวดโสมมมทั้งหลายเมื่อได้เคลไขออกไปโดยลำดับลำดับก็จะค่อยสลัางกระจา่างแจ้นขึ้นมาเป็นอิสระขึ้นมาโดยลำดับลำดับนี้คือแก้วตรารพันธึกแก้วอันมีค่าสูงสุดคือจิตใจไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าจิตใจในโลกนี้อย่านี้ค่าชำระได้อ่าหนี่คิดตรงนี้ไม่ถ่างคิดแดง ป, ปฏิบัติจะให้เสียท่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งขดให้นับถือพุทธศาสนาอันเป็นธรรมธรรมหลักฐานเจ้าอย่างเลิ่ด้วยเสียเรืเ่องหนึ่งเราจะไม่เสียผลเสียประโยชน์เวลาจําเป็นดันใจคว้าอะไรก็จะทันในสิ่งที่เราปรินหวังจะคว้าถังไม่คว้ากองไฟไม่คว้าน้ำเหล็กแต่จะได้ของจริงของดีมาเป็นที่อบอุ่นทางจิตใจของเราตายไปก็เป็นสุตโตเป้นสุ คนที่สร้างความดีเป็นตัวคนที่สร้างความั่วเป็นทุกเราไม่ต้องการทูกข์จึงพยายามสร้างความดีฝืนไ ม, ไม่ไม่อย่างนั้นก็ไม่เรียกว่าต่อสู้ถ้าไม่มีการฝืนกันบ้างไม่มีการฟาดการเหยียมกันบ้างไม่เรียกว่าการต่อสู้กันระหว่างส่วนต่ำกับส่วนสูงมันต้องสู้กันอย่างนั้นวันนี้สู้ได้ขนาดนี้วันหน้าสู้ได้อีกขนาดนั้นต่อไปมันก็อ่อนกำลังไปเแล้วเหยียบย่ำทำลายมันได้ เวลานี้มีตท่าแต่มันเหยียบย่ำทำลายเราฮเหมือนนย่างนิทานเขาไปทอดแถนั่นเลยไปด้วยกันสิบคนไปทอดแถคนมีแต่แบบเต้เอื่ด้วยกันทั้งนั้นอันดับหนึ่งเต้อเป็นชอมเลยเวลาขึ้นมาแล้วนับการคนครบไม้คนักูนี่หนึ่งเมืองสองอะไรนั่นก็ได้เทียงเก้าคน ไม่นับแบบหนึ่งคู่สองมืออะไรงี่ไม่ได้ว่างั้นนะกูนี่แล้วหนึ่งมือสองอันนั้นสามนี่แบบนับทีไรมันก็ได้แต่แค่เก้าแล้ไม่ถึงสิบทั้งๆทุ่คนต้องมีสิบคนแล้วก็มีคนหนึ่งที่เขาเป็นคนฉลาดเขาเดินผ่านมาคือเมื่อนับกันไม่ครบแล้วก็เข้าใจว่าคนหนึ่งตกน้ําตายเลยร้องห่มร้องให้หากันนั่นมันก็ยิ่งประขาดควาโมโง่ออกเด่นชัดให้โลกเขาเห็น แล้วทำไมถึงร้องหูล้องไห้กันอ๋อมาตกปลาตัวมาทอดแผ ท, ที่นี่แล้วคนหนึ่งตายเสียมาด้วยกันสิบค น, นงเหลืออยู่เพียงเก้าอมันเก้าไงนี่มันก็สิบคนยังไงเปล่าไม่ซีบอามาทำอะไรอย่างนั้นอ้าวยืนแถวว่ะจะนับให้น้านับก็นั บ, นบเอะนับจะทำไงก็ทำเถอะยอมหมดแล้วแหละให้ไปยืนแถวก็เอาไม้นั่นแหละไม้ไผ่เรือนั่นแ่ะ ตีแป๊ก็กออกทางข้างตีแป็กหนงไอ้ น, นี้สองไอ้ น, นี้สามอันนั้นเรื่อยไปพอไปถึงไอคนสุดท้ายกับวัดตัวฉลาดแล้วก็กระผมนะขอสันมันเนถื่อว่าคือเขาตีทางข้างมันได้ยินตั้งเป๊กเป๊กนี่มันดังเราครั ว, ว, วโมโถนี่แล้วกันมันตายอันนี้หนัแต่คนสุดท้ายกับวัดตัวฉลาดผมขอข้างสันมันเถื่อใส่สักถังทั้งยี่หสลบไป ปูขนาดว่าฉันมันปูยังเกือบตายสูถูกข้างๆมันเปิงเปิงสูไม่ทถลอกไปเหลือแบบเขาจะทถลออะไรเขาไม่ได้โง่เหมือนเราไงนี่เราก็เทียบลุ้มนิดนิดฐานคนเทอร์ไม่ทราบว่าวเทศอะไรเนี่ยมันจะเอาอันนี้เป็นเป็ น, ปนทำประกอบแ ล, ล้วเรียนรู้ต้นมันอะไรที่ขอเอวบางเสียงเท่านี้ยมันลืมสุดท้อถ้าเราจะกาหนดทงาปลาติดลูกไว้ใจเขาออกติดลูกไว้ใจผ่านเข า, า, ข า, า, ขาขออกเช่นมันสัมผัสที่ไหนมาก คุณผู้บริสุทธิ์จมูกมากเขาตั้งสถิตไว้ตรงนี้ผ่านเข้าวัดออกเราคอยอยู่ที่ประตูเนี่ยผ่านออกไปรูผ่านเข้าไปรูลมผ่านเข้าไปออกจิตที่ตั้งอยู่นี้ความรู้อยู่ที่นี่นจะไม่ได้คล้อยสงบลงไปทั้งหมดเมื่อมันไปสงบลงไปแล้วเขาเรียกว่าจิตมานมันรวมหรือมันสงบตัวผลคือความสุขมันก็พาปวดขึ้นมาเองอย่างนี้คือเรื่องเลอดแย่เป็นยัง อว่าไงนะรถอันนี้มันคงทับเราองกันมันเลยไม่สรบ น, น้มันมาสราบทางนี้